พจ้ประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัสเกตราชวรมหาวิหารโดยพร้อมกันนบััดนี้เมื่อท่านทั้งหลายมีโอกาสได้สมาทานศีลจึงขอให้ตั้งใจให้เกิดเป็นวิรัตเจตนา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 แม้จะว่าเป็นบาลีไม่ได้หมดก็ขอให้ตั้งใจงดเว้นตามองศีลให้ชัดเจนการงดเว้นตามองศีล น, นั้นมีอยู่เป็นสามตอนตอนแรกเรียกว่าสมาทานวิรัตคือเป็นเจตนาขณะที่ตั้งใจสมาทานขณะที่ตั้งใจสมา ธ, า น, น, ามาธานนั้น ไม่มีสิ่งที่จะให้ล่วงเกินคือไม่มีสิ่งที่จะให้ทำปานาธิบาตไม่มีสิ่งที่จะให้ทำอตินนาทานเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วเมื่อไม่ได้ทำอยู่แล้วจำเป็นอะไรที่จะต้องสมาทานศีล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 ข้าพเจ้านึกในใจว่าตามมงศีนั้นว่าไปทีละข้อทีละข้อนั้นอย่างหนึง่งและตั้งในใจอาตจจมาขอยกเป็นตัวอย่างอาจจะนึกว่าข้าพเจ้ามีชีวิตมาถึงวันนี้ขณะนี้ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสที่จะล่วงละเมิด ตามที่กําหนดไว้ในข้อศีลห้าข้อขบเจ้าจึงขอตั้งใจสมาทานให้เป็นองค์ศีลของขอพเจ้าเพื่อให้กายกรรมวจีกรรมของขอพเจ้าเป็นกายกรรมที่มีศีลเป็นวจีกรรมที่มีศีลตียกตัวอย่างอาจจะนึกไม่เฉยตรงอย่างนี้ก็ได้ ทำไมจะต้องนึกอย่างนี้เพื่อต้องการที่จะให้เกิดเป็นสมาทานวิรัตอย่างที่เขาว่าเราถือศีลแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วจะต้องสมาทานทำไมอย่างนั้นได้ครึ่งหนึ่งเพราะเราไม่ได้มาตั้งใจถ้าได้มาตั้งใจอีกทีหนึ่งจะสมบูรณ์เรียกว่าสมาทานวิรัตมีเป็นสามตอนนี่ตอนที่หนึ่งตอนที่สองเรียกว่าสัมปตตาวิรัต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 ไม่ให้เกิดเป็นการล่วงเกินขึ้นทางกายกรรมนี่เป็นสำปัตวิวิหรือมีเหตุที่จะให้เราพูดเท็จหรือพูดคำที่เอียงไปทางเท็จเรานึกว่าเอาเถอะวันนี้รับถีนแล้วยังไงไงขอสักวันหนึ่งเอาไว้พรุ่งนี้วันนี้ไม่พูด มันมีสิ่งจำเป็นที่จะต้องพูดแต่ว่างงดเวทีก่อนเพราะเรามีเราสมาทานศีลใช่แล้วอย่างนี้เป็นสัมปัตตวิรัตเหมือนกันศีลเกิดขึ้นทางวจีกรรมวจีกรรมมีศีลแล้วที่ยกตัวอย่างนี่เป็นสัมปัตตวิรัต วิรัตอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสมุเฉทวิรัตหมายถึงการรักษาศีลที่เป็นไปโดยธรรมชาติแล้วได้แก่ศีลของท่านที่เป็นพระอริยบุคคลอย่างเล่าไม่เข้าไปสู่คอของพระอริยบุคคลเล่าเนี่ยเราจะนึกแปลกว่าทำไมเล่าไม่เข้าไปเพราเป็นนา้า แต่ว่าไม่เข่าเพราะจิตไม่รับได้แล้วถึงยังไงก็ไม่ดื่มแล้วห้ามได้เด็ดขาดเป็นสมุทเฉทวิรัตเป็นไปเองโดยธรรมชาติของมรรคจิตของจิตที่เข้าถึงอริยมรรคสีนห้ามีอยู่โดยตลอด ปานาติบาสถททินนาทานการเมสุนิชฌา์มุสวาวะสุรามรยะมชประมาณสถานมีอยู่ตลอดไม่ต้องสมาทานอย่างนี้เรียกว่าสมุดเฉทวิรักสมุดเฉทนั้นแปลว่าตัดได้เด็ดขาดแล้วนี่แหละเป็นสามตอนอย่างนี้ดังนั้นท่านทั้งหลายมีโอกาสได้สมาทานศีล มีโอกาสที่จะปฏิบัติให้เป็นศีลขึ้นมาอย่างแจ่มใสในฐานะเป็นปุถุชนอยู่สองตอนคือตอนที่สมาทานนี้ตอนหนึ่งนั่งอยู่ที่นี่แหละให้นึกว่าเวลานี้กายกรรมของเรามีศีลว่าจีกรรมของเรามีศีล น, นึกว่าร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ย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 เรามีโอกาสมาอยู่ในที่ที่ไม่สับสนปราศจากการหลอกลวงหลอกล่อปราชจากการหลอกหลอนปราชจากสิ่งต่างๆที่ไม่ดีไม่งามโดยประการทั้งปวงเรามันนั่งอยู่ในที่อย่างนี้เนี่ยเป็นโอกาสกันประเสริฐในชีวิตของเราเพราะงั้นเราต้องหลอหลอมเอง คนอื่นหลอให้ไม่ได้ต้องหล่อล้อมเองหล่อล้อมกายหล่อล้อมวาจาหล่อล้อมใจให้แจ่มใสขึ้นมาให้ได้ให้เป็นกายที่สะอาดวาจาที่สะอาดและใจที่สะอาดคนอื่นที่เขาสับสนวุ่นวาย หลอกล่อหล่อลวงมีเลขกระเทคนอย่างไรเป็นเรื่องของคนที่เป็นอย่างนั้นแล้วเราตั้งจิตเป็นกรุณาหน้าสมสารแก่เขาเหล่านั้นเหลือเกินที่เขาต้องทำเพราะเขาเห็นว่าวัตถุที่เขาจะนำมาเพื่อ ดำเนินชีวิตของเขานั้นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่เขาจะได้มาบางทีก็ได้มาด้วยความอิ่มใจว่าได้ทำแล้วทั้งที่เป็นบาปเรียกว่าอิ่มใจในบาปเขาเป็นอย่างนั้นเขาเห็นไปอย่างนั้นประกอบการที่เป็นทุจริต เราได้อยู่ในท่ามกลางศีลท่ามกลางสมาธิท่ามกลางปัญญาจึงขอให้ตั้งอกตั้งใจให้ดีนี่เป็นการปลารพก่อนที่ท่านทั้งหลายจะสมาทานศีลโดยปกติเมื่ออารัธนาพระก็ให้ศีลแต่วันนี้อาตมาขอโอกาสพูดกับท่านทั้งหลายก่อนที่จะเริ่มต้นให้ศีล เพื่อที่จะให้เห็นว่าการสมาทานศีลของเรานั้นไม่เหมือนกันกับที่เราสมาทานอยู่โดยทั่วัวไปเราต้องการที่จะให้เป็นฐานของการปฏิบัติธรรมจริงๆ จ, งจึงขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจให้ดีนะให้กายกรรมวัตถกกรรมมโนกรรม เป็นภาชนะที่พร้อมจะรองรับเบญจศิลส่วนนั่งขอเชิญ น, นั่งตามสบายเพื่อจะนั่งสมาธิไปตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้นั่งขัดตามาศเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความขัดข้องให้นั่งโดยสะดวกแต่ว่าอยู่ในลักษณะที่อยู่ในการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ แล้วก็ว่าสมาทานศีลไปด้วยกำหนดไปในใจให้ดีขอเชิญท่านทั้งหลายได้ตั้งใจสมาทานเป็นจศีนสืบต่อไปณนะโอกาสแบบนี้นะโมะตัสสะาคัวโตอรังโตสัมมาสัมพุทธะ นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรโตมมาสัมพุทธะ พุทธังสะระณังขามิพุทธ um ังสะระณังขจามิธัมมังสรณังามิธัมมังสรณังามิจังขังสะระณังคจามิจังขังสระณามิ ปุต variance, ิยมปีพุทธังสรนังคตชามีทุติยมปีพุธัสรนังชามปุติยมปีธรรมังสรนังคตชามีปุติยมปีธรรมังสรนัง ทุติยมปีสังขังเนงามิทุติยมปีสังขังเสนัจามิตัติยมปีพุทังเสนังขจามิตติยมปพุทธสนังขจามิตัติยมปีธรรมังเสนังขจามิมีธรรมัง มิตต an ิยามิสังคังสนาัามามสงสนาะัจามิปัาติปตาเวรุปปันสิกขาปัตังสมาทิยามิปัญญาติปัตาเวรนสิกขาปัตัง อาตินาานาเวรัมณีสิฆาปัตังสมาธิยามีอาตินาานาเวรัมณีสิฆาปัตตังสมาธิยามีกาเมสุมิชฌาจาราเวรัมณีสิฆาปัตังสมาธิยามี ตาเมตุม um ิชาจาระเวรมนีศิคาปะทางสมาธิามิมุสาวาธาเวรมนีสิคาปะทางสมาทิามิมุสาวาธาเวรมนีศ <vara> ิคาปะทางสมาธิามิสุรามีเยะมัชฌปมาททนา เวรมณีสิกขาปัฏฐาสัมาทิยามีสุประยามะมาทานาเวรมีสิกขาปัฏฐาสมาทิยามีอิมานีปัญจสิกขาปัานีสเลนะสุติอันติสีเลนะภูคะสมทา สีเลนะนิพพิญ ต, ติจตัสมาสีลังวิโสทะเยนต์่อไปนี้ก็จะข อ, อะ <c oughs> กล่าวธรรมะบางอย่างบางประการจากช่วระยะเวลาเพียงเล็กน้อย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 ไม่เช่ว่าหมดเพราะว่าศีนั้นละเอียดอ่อนมากเหมือนกันซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าศีนเป็นเบื้องต้นจจิงเป็นของที่ไม่ลึกซึ้งเป็นของที่เป็นพื้นฐานธรรมดาแต่ว่า โดยความเป็นจริงแล้วศีลก็มีความละเอียดอ่อนมากเพราะว่าศีล น, นั่นเป็นเครื่องแต่งกายแต่งวาจาให้พร้อมไปกันกันกบใจดังกล่าวมาแล้วข้างต้นพระพุทธศาสนาของเราทั้งหลายที่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 คนดังหลายเห็นชัดเจนที่ศีลข้างในยังไม่เห็นยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรตอนที่ยังเป็นรงหัดอยู่เป็นอุปติสสะปริภาชกเป็นอุปติสสะไม่ใช่ปริภาชกเป็นอุปติสสะ คือเป็นครวาต์อยู่ยังไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาดียังไงพระพุทธศาสนาก็พึ่งจะเริ่มต้นขึ้นใหม่ๆไม่นานแต่ไปเห็นพระองค์หนึ่งคือเห็นพระอาศาัศชิอย่างที่ท่านทั้งหลายทราบกันอยู่ดีแล้ว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 ที่เมืองพาราณสีเมื่อมาถึงเมืองราชคลึกก็ได้ออกไปในที่ต่างๆโดยเฉพาะกับเวลาบินบาทเช้าๆอุปติตสะเป็นคนหนุ่มไม่เคยเห็น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 ทำให้เห็นว่าท่านนี่แปลกและดูไม่เหมือนกับนักบวชทั้งหลายนี่นักบวชทั้งหลายเดินไปก็ไม่ค่อยจะมองให้ได้ซึ้งว่าในใจมีอะไรและเครื่องประกอบในร่างกายก็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 ยังมีนักปวดเจ้าลัทธิต่างๆอีกมากมีชื่อเสียงทั้งนั้นพระสัชชิเดินไปจุดเดียวปรากฏในจิตในใจในความรู้สึกของพระสารีบุตรในลักษณะที่ว่าไม่เคยเห็นพระพุทธศาสนาของเราดีที่นี่เป็นเบื้องแรก